ทำงานอะไรทมัยาตาอย่างไงเข้มแข็งเอาท ร, รมัาตาหลักสูตรฝึกตนในสติในความอด ท, ทนการเดินการฉันการหลับการนอนการขับการทายอาจจะลำบาก นั่นแหลเป็นหลักสูตรความลำบากเป็นความทุกข์ความยากของคนถ้าผู้ฝึกตนสอนตนความลำบากเป็นการฝึกฝนตนเด้งใหงเข้มแข็งการอดการอยากกินข้าวมาอิม่มนันแหลเป็นหลักสูตร ไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะเดินจังกรมอย่างเดียวแม้จต่เราสาธยาพระสูตรสวนมนก็เป็นหลักสูตรถูกตนโสนตนหายเจเข้าหายใจออกก็เป็นหลักสูตรถูกตนโสนต น, นเจ๊ะเอาว่าได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนป ร, ริยาต เอาภาคปฏิบัติที่มันเกิดกับสิ่งเวรลองในกายนอกกายมาฝึกให้มีสติจุกรูปแบบอย่าให้สุกเป็นสุจะให้ทุกข์เป็นทุกข์่าให้หลงเป็นหลงจะให้ยากเป็นยากย่าให้ง่ายเป็นง่ายอย่าให้ลำบากเป็นความลำบากอย่าให้สะดวกเปงความสะดวกมีแต่สติทั้งนั้น ดูถึกตัวได้ทุกรูปแบบไอเป็นนักปฏิบัติในบทเรียนเยอะแยะแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีหรือทุกวินาทีก็ได้ มีโอกาสก็โดยตรงส่วนตัวส่วนตัวยกมือร้างจังหวะมเหเดินจงกรมเป็นส่วนตัวเป็นแต่ติเล็กกระลาบมนการใช้ชีวิตแต่ถ้าจริงแต่เฉพาะเรื่องสร้างจังหวะรู้สึกตัวเดินโยกมรู้สึกตัวยังไม่พอผมรู้สึกตัว นอกรูปแบบเกิดปัญญานอกรูปแบบปัญหาเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาเกิดปัญญาปัญหาที่มันมีหนักๆนะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้สึกตัวตื่นลูกขึ้นมา อย่าว่านักปฏิบัติเราได้พบได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่เราไ็เอาเหตุเอาผลไปศึกษาประสบการณ์บทเรียนเข้าไปเลยมีความรู้สึกตัวเข้าไปทุกรูปแบบ เมื่เห็นไม่เป็นพ้นจากภาวะที่เป็นทั้งหมดที่มันเกิดกับกายกับจิตใจมาภายนอกภายในก็นรับอย่างงดงามเป็นศาสตรเป็นศิลผู้มีสติมันหิวเปนศาตรเป็นศิลที่นี่มันทุกข์เนศาติเป็นศิลมีสติ ไม่สูญเสือรูปแบบโคร ง, งั้นองเส้นโคงว่าอยู่เสมอบางทีก็ท่าทายได้ถ้าผู้มีกำลังมีความหนุ่มความสาวท่าทายต่ความทุกข์ยากลำบากได้ ถ้าผู้เหนือายุคนแก่ก็ไม่ควรจะท่าทายแล้ก็เป็นทโทษได้มีสติในทุกรูปแบบก็ได้นอนก็ได้เล่นเล่นวายก็ได้แต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งภายในอยู่เสมอมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอ จะอ่ อ, อนเอ่อขอโทษแท้ฝึกได้ทุกรูปแบบแม่ว่าจะไปสู้กับความเกลียเก็บความตายมันจะไปเอาตรง น, นั้นบางทีก็เจ๋งตรง น, นั้นก็ได้ แผงแผงไปดดตัวนั้นก็ได้ไห น, นคนตื่นงูตื่นทุกข์ทมันเป็นทุกข์สุดยอดตื่นได้สุดยอดถึงสุดยอดของกุศธรรมก็ได้แต่น้อยคนที่จะทำได้อย่างนั้นเป็นนักกีฬาของกิเป็นญานของสติ เราลาดไปซะลาดลาดไปเหมือนทางขึ้นเขามันจะสะดวกขว่วไปทำจักทร์นันจันร์นั้นไมประ ม, เม า, าเหมือนเส้นถ้าทายเหมือนเซ้นสอนตนเดงเหมือนเส้นสอนพูอื่ินเหมือนเส้นฉับขันก็หงัดนายแต่เราหัดแบบลาดลาด อัรูปไปในกายอะไรเกิดขึ้นเห็นไม่เป็นที่ลาดแล้วเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงหลุลาดเห็นหนวนทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขทําให้ลาดไม่ชันไม่เป็นหน้าผาไม่เป็นฝั่งไม่เป็นฝั่ง เป็นความลาบเป็นความเอี่ยงงั้นทางขึ้นเขาขึ้นได้ง่ายไม่มีไม่มีมมเหน็ดเหนื่อยเม่อเอลา่าไม่ได้สู้เราจึงไม่มีเสียงเลย <laughs> แต่คนเดินมาช่วยก็ว่าโตอย่านี่เป็นอย่างนี้ของกิงไปอย่างนี้ของกิงอะ่ะก็เดินช่วยจึงรู้จักตัว ย, ยังไม่รู้หาใส่ซึ่งกันลวกันเรียกว่าโบราณท่านว่า เป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงเป็นสติปัญญาแทนกันเดียวกันกัญญาณมิตรจะหายาให้ถึงมรรกถึงผลได้ถ้าไม่มีกัญยาณมิตรเราก็เป็นกัญยาณมิตรกับตัวเอง โดยเฉพาะความโดยเฉพาะภาคปฏิบัติให้เป็นกนารละยามิตรกับตัวเองให้มากมากเวลามันยากเป็นการละยาะมิทกับตัวเองหัวเลาะความยากเวลามันทุกเป็นการละณมิทกับตัวเองหัวเลาะความทุก หัวละทุกรูปแบบสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจอุ่นใจหัวเลาะได้ทุกรูปแบบยิ้มยิ้มภายในไม่ใช่ยากไม่ชอบง่ายชอบทุกไม่ชอบสุขชอบอย่างนั้นอ่อนแอเป็นการมัดสุขันิการโยกต่อถึงขี้เถื่อนไปเอายิงเอาจัง แม่มีหมูมีเม็ดก็ยังเปียวเดียวดายเอาผิดเอาถูกกับการปฏิบัติเอาผิดเอาถูกกับสิ่งเวทรอบเอาผิดกอาถูกกับผู้กบคนคนเดียวเดียวดายไม่มีการยาณเมตรไม่เผื่อหน้าเผื่อหลังไม่วางใจนี่แต่ชอบไม่แต่ไม่ชอบ ไม่มีคําว่าไม่เป็นไรในหัวเจอดืกๆนี่ไม่เป็นไรเรียกว่ากันละยาณมิตรกับตัวเองคนอย่างนี้ที่มีกันละยาณมิตรกับตัวเองบรรลุธรรมได้ง่ายได้ไวดีถ้าชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจโอกาสบรรลุธรรมได้ยาก จึงทำไปได้ทำไปด้วยจิงวดล้อมในตัวเองสร้างขึ้นมาไม่มีใครสร้างให้ได้ตัวเองต้องสร้างเอาเองแล้วก็สธิสร้างได้ทุกรูปแบบมันหลงเ ม, ม, งม่มีสิทธิไม่หลงมันทุกไม่มีสธิไม่ทุกน้อยเปอร์ สิทีิ์ร่งนี้รีบๆสักหน่อยปล่อยให้หลงเป็นหลงมาเนิ่นช้าปล่อยให้สุขเป็นสุขปล่อยทุกข์เป็นทุกข์เป็นเนิ่นช้าปลอใจไม่พ่อยใจเนิ่นช้ามา ก, โ, กโคตรคงไม่ตรงในการปฏิบัติฝึกตนสอนตนตัดๆสักหน่อย วิธีรัฐก็คือหลักปฏิบัติตามแนวสติผู้เข็นเข้ารู้จึกอย่าเฉ็นออกรู้จึกเป็นสูตรเป็นเกณฑ์ขี้วัดว่ามันตรงมันคิดไปท้งอื่นกลับมาตั้งไว้ตรงนี้รัดมานี้อย่าอย่าไปมันฉุกก็จะไปเป็นฉุกมันหลงอย่าไปเป็นหลงให้กลับมารู้ ความหลงเป็นรูปความถูกเป็นรูปความทุกข์เป็นรูปรอยที่ไม่ใช่ความรู้เทียมเกิดกับหัวกับใจลัดมาให้เป็นความรู้ทั้งหมดนี่หรือว่าลัดมันหลงยิ่งรู้ทุกที่ที่มันหลงมันคิดกับรู้ทุกครั้งที่มันคิดว่าลัด ได้ความรัดจากความคดคดงอได้ความตรงจากความคดคดงอนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งรู้มีมปัญหาก็ยิ่งรูความรู้ไปอยู่กับทุกรแบบแทนที่อย่างลากไม่ได้ความที่ไม่ใช่อิ่งอื่นมายางลากผลความรู้สึกตัวไม่ได้ แต่ความรู้สึกวย่างลากในสิทธิยิ่งใหญ่เป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ย่างลากลงได้เทนที่ได้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้จากความหลงให้ผลเป็นความไม่หลงจากความทุกข์ให้ผลเป็นความไม่ทุกข์ อะไรก็ตามที่มันเกิดกับกากับใจให้ผลเป็นความรู้สึกตัวได้ทุกรูปแบบจนมันจำนี้จำนัญนเห็นอะไบ้นี่เห็ น, น, หนไม่เป็นไปกับทุกรูปแบบที่มันเกิดกับกากับใจไม่ได้เห็นไม่เป็นขุนจากทุกสิ่งทุกอยาก่าง เห็นเหมือนหลงไม่เป็นผู้หลงจึงพ้นจากความหลงเห็นเหมืนสุขไม่เป็นผู้สุขจึงพ้นจากความสุขเห็นเหมือนทุกข์จึงพ้นจากไม่เป็นผู้ทุกข์จึงพ้นจากความทุกข์นี่คือลัดลดไม่ลัดลดตรงนี้มันจะ บอดได้สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันบอดได้ความหลงอาจะอดดาอาจะบอดได้ความทุกข์อาจจะบอดได้ความโกรธอาจจะบอดได้ทิ้งไว้ไม่เกิดเหมือนข้าวเปลือกที่เก็บไว้ไม่เอาไปเพาะไปหวานสองปีสามปีสี่ปีก็บอดได้เพราะไม่ขึ้นไปหวานบนดินบนตมก็ไม่งอกขึ้นมา ชินพชิ้นชาติพบใหม่ขึ้นมาใหม่ชีวิตเรามันมันมันมหลงมันบอดควมทุกข์มันปดมันมีความไม่ทุกข์ไปแทนที่มันไม่เหมือนข้าวรีบมันมีอะไรเกิดขึ้นมาแทนจากความหลงเกิดความไม่หลงปล่อยคลถึงมากถึงขน จากถ้าหลงเป็นหลงไปไกลถึงใบภูมิแยกกันตรงนี้<ม>หลงเป็นลู่ไปแล้วเอียงไบไหลไปสู่มรรคส่ผลแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกตัวนี้ตามไปมันมีชี้วัดจุผิดกันอยู่ ความหลงกับความไม่หลงต่างกันคนละรูปแบบต่างคนคนละเส้นทางแยกกันตรงนี้นั้นไม่จริงอะความหลงควไม่หลงไม่จริงความทุกข์ไม่จริงความไปทุกข์เปนจริงความโกรธเปนจริงความไม่โกรธเปนจริงลองพัดดูไม่ต้องมีคําถามตอบตัเองนี่คือ ให้ผลได้ลูกยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลูกควรเห็นตามทุกควรเจอผู้ปฏิบัติแล้วก็ผ่านไปเอาไว้หลังเหมือนเดินทางเดินทางธรรมญาตาตั้งต้นจากตาโตนใช่ไหม <c oughs> เดินมา บ้านทูสองชั้นเอาตาตนไว้หลังจากทูสองชั้นมาบ้านผาลาดเอาบ้านทูสองชั้นไว้หลังจากบ้านผาลาดมาถ้าเหงอมเอาบ้านผาหินลาดไว้หลาังจากไทยงอมหัวที่ไหนวะนี่ที่บ้านหัวเขื่อนเอาบ้า น, ทานไทหงอมไว้หลังจากบ้านหัวเขื่อนมาบ้าน ใช่ย you really? like you ่อยบ้านถมเกือนไว้หลังอยากใช่ย่อยมาบ้านลาดพังน้ำเอาบ้านใช่ย่อยไว้หลังแมนบาหลังอยากใช่ย่อยเอาบ้านอลาดผังน้ำมาบ้านลาดผังน้ามาบ้านป่าถนนเอาบ้านลาดผัน้ำไว้หลังอยากบ้านป่าถนนมาบ้านท่าไฟหวานเอาบ้านป่าถนนไว้หลัง จากบ้านท่าไฟหวานไปบ้านท่าทอเกียนเอาบ้านท่าไปฟหวานว้หลังสุดโยอดปูหลงสำเร็จมันต้องผ่านานี้เห็นหลงรูผ่านแล้วเห็นทุกรูกผ่านแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนี่มีเท่าไหร่ผ่านแต่พื้นๆมันมีทางมันมีเดินเบร น, นี่ปฏิบัติธรรมอะมัน เป็นเจณฑ์ที่วัดให้เราได้เห็นสัมผัสอยู่จะไปถามใครจะไปน้อยเนื้อตามใจเรื่องใดจะว่ายา ก, กเรื่องอะไรตัวเองเติบโตขึ้นมาทันทีเดินทางทางจิตวิญญาณนี่เติบโตขึ้นมาทันทีเป็นพระก็เป็นพระขึ้นมาเป็นผมก็เป็นผมขึ้นมาเป็นเทวดากเทวดาขึ้นมาทันทีเลยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูไม่ได้ดูดนมโตขึ้นมาทันที นี่คือชีวิตของมนุษย์เราพัฒนาได้สุดยอด้ำไมพัฒนาก็ต้องที่สุดเลยมีนโลกมีเปรตมีสุรกายมีเดรชนมันมีบัญมันมีจิตวิญญาณมีสติมีมันมีจิตวิญญาณมีฮบภูมิเป็นไปได้มีสมอง มีมือ5้านิ้วสิบนิ้วไปเข็นไปค่าไปลักขโมยได้สัเดีอาฉนไม่มนลักขโมยเป็นเราอยู่วัดพูเาทองมีคนหมาพูดกับนอนไม่หลับมันสู้หมาไม่ได้ใช่ไหมห <laughs> มามานอนหลับปั๊บเลยตัวเองมานอนเลยไม่หลับนอนไม่หลับหลายวันมาแล้ว สู้หมาไม่ได้เพราะอะไรออมันมีกิจวิญญาณที่มันเขกูไ ป, ไปนอนไม่หลอมันเรื่องอะไรสู้หมาไม่ได้น้่นมันยังมีนลกคนคบมนุษย์แยกตัไหน่อยอาุขเป็นสุขเป็นคนเสร็จแล้วอทุกข์เป็นทุกข์เปคน ถ้าสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขเป็นมนุษย์แล้วทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ที่เป็นพระได้ถ้าคนยงเป็นภาพไม่ได้ม่แต่เป็นเปรตเป็นสัตว์โลกไปหลงเป็นหลงหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นมนุษย์แล้วจึงมีการบวชพระ มนุษย์โซสีเป็นมนุษย์หรืออย่างเ <c oughs> จ้านาว่าอามะพันเตเป็นมนุษย์ออวัได้เ <c oughs> น้นพระได้ยติเป็นพระขึ้นมาได้นตินี่มันเป็นกอ่อเป็นกรรมอย่างนี้มันเป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้การฝึกตนสนตนไม่ได้ทดลองไม่ได้ ฟรีเลยทีเดียวแต่ไม่ฝึกมันฟรีนะหลงผีๆไม่ได้ประโยชน์จากความหลงเคลื่อนไหวหายใจเท่าไหร่ไม่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเป็นจิริยาไม่เป็นกรรมกรรมเป็นอัตตะกรรมเป็นกรรมที่ไม่ให้ผลไม่มีเจตนาที่จะรู้จักตัวผู้เขียนเข้าเยื่อฉันเอาให้รู้จึกตัวเดินให้รู้จึกตัว คิดให้รู้จึกตัวยากให้รู้จึกตัวง่ายให้รู้จึกตัวสุขรู้จึกตัวอู้จนลรู้จึกตัวทางานเท่าไหร่ไม่เคยรู้จึกตัวเลยโวที่มารู้จึกตัวมันผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยมันผ่านอะไรมาผ่านลูกผ่านเมียมผ่านรักผ่านชังมาได้ความรู้จึกตัวที่กายนี่มันผ่านมาแล้วมารู้จึกตัวเนี่ย ถ้ารู้สึกตัวมันก็รับความชั่วแล้วถ้ารู้สึกตัวมันก็ทำความดีแล้วถ้ารู้สึกตัวจิตก็บริสุทธิ์แล้วอ้อไม่เป็นศีลขึ้นมาแล้วรวมรู้สึกตัวเนี่ยเราพออยู่ที่ไหนเกิดมาถึงปูนนี้รนะหว่างความหลงกับความรู้มันมันไหนมันมากล้วไปอยู่ที่ไหนอะยังไม่มาหมารู้สึกตัวชะมันอยู่กระเป๋าแท้ ให้เลยมาคลองกายของใจเรากายเถื่อนใจเถื่อนโสเพนิจิตใจโสเพนิกายเขาจะให้คิดนะไรคิดได้คิดดีไม่รู้จกกักสอนจิตออกจากความคิดไม่เป็นจนนอนไม่หลับนี่ไม่คยไม่ได้ฝึกตนสอนตนก็พึ่งไม่ได้มีจิตใจก็พึ่งจิตใจไม่ได้นะ คุมร่คุ้มดีผูผูแแบบแบบคลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าขวัญกลางวันว่าคิดเราจึงต้องฝึกเนี่ยเรามีที่ใดให้มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ใดมีสิทธิเราพยายามช่วยกันให้มีสิทธิเรื่อง น, นี้ให้มากที่สุด เรที่จะทําได้พอสะดวกนั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกใหรู้สึกตัวต้องกําหนดรู้เดียก่อนรู้มีสตีปายในกายเป็นประจำมันมีกายอยู่นี่ให้รู้อยู่นี่ถ้าไปมีที่ตั้งมันหนีไปที่อื่นมันมีกิตวิญญาณธาตวิญญาณธาตุมันรู้อะไรได้ เสียงมากระทบก็ไปตับเสียงกลิ่นมาก็ได้ไปกับปิน่นทรวงร้นความหนาวเกิดขึ้นออกไปเป็นสูกเป็นทุกข์เป็นสเป็นทุกข์กกอยู่ก็ไม่มีที่ตั้งให้มันก็ไปไม่ได้สอนมันมันจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อสอนมันจิตใจของเราเนี่ถ้าไม่สอนมันไม่ได้ประโยชน์เลยมีแต่ทุกข์เต่โทษ สอนมาก็มีประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นมากเป็นผลต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่อทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตยิ่งมาเห็นทำเห็นความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันได้ประโยชน์เห็นความไม่เช่ตัวตนเกิดขึ้นมันได้ประโยชน์ได้บทเรียนจาก ได้เห็นเห็นความไม่เที่ยงมีสติเห็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันเมหันหลงเป็นสิ่งที่โตเนื่องกันเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วก็ยิ่งในหลักได้ฐาน ได้ข้อมูลได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาเราไม่เรียนมาลีแต่ว่า ร, รูหลักสภาวะธรรมที่มันโตเนื่องกันอยู่ในกายในใจเรานี่ที่มันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเราเห็นสิ่งที่มันโตเนื่องกัน ก็อไรฟังภาษาบาลีที่ผู้เดียนรู้เช่นเจาคุณพุทธทาตตทะตาตทะตาเป็นสิ่งเป็นเช่นนั่นเองหรือปัจจตาบางเป็นเช่นเังน ยิ่งคือพอเห็นตายลากควมไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเกิดเจ็บตายเนี่ยยิ่งเห็นของเทศของจิงเปิไม่เที่ย ง, มมยงจะไปให้มันเที่ยงได้อย่างไรจะมาเป็นทุกข์ได้อย่างไรอันความไม่เที่ยงแล้วก็มั่วไปความไม่เที่ยงไปซะ ความทุกข์ก็มอบความเป็นทุกข์ไปซะจะให้เป็นถูกได้อย่างไรมันมีของมันเองในสามัญลักษณะของรูปของโลกได้ประโยชน์นาะแต่ก อ, ออนากรมมาเที่ยงมาเป็นทุกข์วันนี้เป็นที่ทิ้งของความทุกข์ความเป็นทุกข์เป็นที่ทิ้งของความทุกข์เหมือนถังขยะในชีวิตเรา ทิ้งลงตรงนั้นนะมันก็สะอาดหมดจดจากเครื่องเส้อหมอมีความไม่เที่ยงมีก่อเป็นทุกข์ก็มีผมไม่ใช่ตัวตนก็มีนี่เป็นถังขยะรู้สึกว่ามันมันเพียงที่จุดลเลยเหมือนขึ้นที่สูงเป็นใช้ภูมิของชีวิต เห็นความไม่เที่ยงเห็นกวาเป็นทุกข์เป็นชัยภูมิชีวิตที่สูงมีเท่าไหร่ก็ทิ้งลงที่นั่นไม่เปื้อไม่เพื่อนบริสุทธิ์เป็นผูมิจันทร์แนี่เราไม่เห็นกวามาเที่ยงเอามาเป็นทุกข์มืดแต่ด้านก็มีสตีมาเห็นถึงไปศึกษาไปมันจะรู้แก้งรู้กแจ้งจริงๆในเรื่องนี้ เขนแจ้งล่วงพ้นผวาเก่าแต่ก่อนเอาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บัดนี้เอาความไม่เที่ยงมาไม่เป็นทุกข์จริงๆร้อยเปอร์เซเกิดกับตัวเองก็ตามเกิดกับคนอน่นก็ตามสิงเงินวัตถุเงินก็ตามร้อยเปอร์เซนไม่เป็นอื่นมีแต่เอาไปทิ้งหับความไม่เที่ยงวางลงที่ความไม่เที่ยงนั้นในรูปในนามมันไม่ เป็อย่าง น, านั้นเป็นสมบัติของเป็นสิ่งที่3ามลทินครอบงอมทุขสภาวะสิงในโลกเห็นอย่างนี้มันพบเห็นมาใช่คิดเห็นพบเห็นที่มันเกิดกับเราไมาใช่คิดเหตุผลไปเจาะเอแบบเจาะเอแบบสะดุด แบบตื่นงูมันเป็นพิษเป็นภยัยเราจึงมีการปฏิบัติที่เป็นการส่วนตัวทุกคนช่วยกันมาได้เวลาหลงเราต้องเปลี่ยนหลงไม่มีใครเห็นความหลงเหมือนตัวเราเห็นความหลง ต้องเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเอาเองถ้าไม่ทุกก็ต้องเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเอาเองหัดเปลี่ยนลายเป็นดีอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเราพูดอย่างนี้แหละเนาะไม่ไม่มีคำพูดอร่อยมันก็นมีเท่านี้พูดมาได้สี่สิบกว่าปีแล้วอาจะเบื่ อ, อไหม <c oughs> เอาสมควรเจรเวลาละขอบพรพุทธเจ้า